สภาน่วยรับงานปกครองท้องถิ่นเพื่อสังคมประชาทั้งสิ้นเพื่อท้องถิ่นจริญก้าวไกลาชาติเป็นเรื่องให้ประเทืองและงามนิรันดร์อาาไม้พระปานําไปขอตั้งใจอาจตาเสบาน่วยรับงานมากมายหลาด้านเจ็บหรือตายหุนวายใหญ่บ้านเขตสภาลต้องรับแจ้งมาเผ่าทำงานที่ทํางานเพราะไปทุกนาเพื่อนครนิวัฒนาเป็นวัน คนไงเทศบาลคือบันไดของการปกครองตามถลองแห่งชีวิตความที่มีประชาธิปไตยเพื่อฟื้นฟูและบังให้จ้ำปังใจด้วยการรับใช้กันไปเหนื่่ไในไม่สำคัญมีผู้แทนเขตของเราดูแลพร้อมสิ้นรวมรับงานปกครองท้องถิ่นทั้งทนันสุขสัน์ทั่วกันเทศบาลก็คือเรานี่ช่วยสัมพันธ์เทศบาล มัน่รวม สภาน่วยรับงานปกครองท้องถิ่นเพื่อสังคมประชาทั้งสิ้นเพื่อท้องถิ่นจะเดินเท้าไกลชาวยุ่งเรื่องให้ประเทืองและงามไม่เลยอาณาไม้พระปานำไปขอตั้งใจอาสาเสบาลด้วยรับงานมากมายหลายนานเจ็บหรือตายหุ่นวายายบ้านเทศบาลต้องรับแจ้งมาเอาทำงานที่ทำงานพร้อมไปทุกเดนเพื่อนครนิวัฒนนาเป็น เทศบาลคือบันไดของการปกครองตามขนองแห่งชีวีความที่มีประชาธิปไตยองลแลงให้จำัใจด้วยการรับใช้กันไปเหนือแค่ไหนไม่สำคัญมีผู้แทนเทตของเราดูแลความสิ้นรวมรับงานปกครองท้องถิ่นทั้งทันสุขสันต์กกันเทศบาลก็คือเรานี่ช่วยสัมพันธ์ ง, งานประเทศศีละอาีิลังส่าร ถ, รถดีเมืองพระศรีพนมมาตแหล่งไม้กว่าตองกงดยหอมแดงเรื่องชื่นนำระบือตำนานเมืองแม่ไม้วิสัยทัศน์ของเทศบาล ศรีพนมมาตรคือศูนย์กลางแห่งอรรยธรรมแหล่งการเรียนรู้และความอุดมสมบูรณ์ของเมืองลับแลที่ไม่มีวันสิ้นสูญสลายสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับพบกับรายการสิ่อตามสายงานประชาสัมพันธ์ของทางเทศบาลตำบลศรีพนมมาตเมืองลับแล่ครับวันนี้ตรงกับวันอังคารที่27กันยายนพุทธศักราช2565 หลังจากแจ้งรายการเราท่านจะได้พบ ก, กับรายการสาระนารู้17นกา30นาทีจะเป็นรายการข่าวสารข่าวฝากต่างๆของทางราชการและบทเพลงตามคำขอเชิญท่าฟังรายการของเราได้ตามลำดับครับ ผ่านยังมาลายแล้วก็พอมาประสุนแนแล้วบ่เหมนมอนทั้งเจ้าชูทั้งลายใจเฮ็ดมึงให้เสียใจนั่ตาคอมึงสิทนต่อไปสันบอกคำว่า ก็เลยว่าคำว่าหักมันยอมทุกอย่างอิริละสูสูบได้เป็นกูสูบหดอเอาจังสีกูสิเว้าสูฟังว่าเป็นยังกูคือหักทางทั้งที่เขาลายใจเป็นยังกูคือทนเขาได้มันเป็นแบบนี้ ผูเป็นมาเปิดแล้วคันโง่ผันสว่าันบอดือทั้งคนถือทีมถือป่าถือไปมี น, น้ำาโง่โคเปิดเือ่อมากูเป็นมาเปิดแล้วสิเปิดอีสิงโงอสิเป็นยังกะฮักเขาลายปานนั้นสิให้เพ็ดจังไดกยนอนว่าฮักเลา เป็นยังกูคือฮักคั้งครั้งที่เขาลาะ ใ, ใจเป็นยังกูคือทนเขาได้มันเป็นแบบนี้ก็กูเป็นมาเบิดแล้วคนโง่คนสวคนบอดถือข้างคนถือถี่นถือป่าถือไฟมีน้ำตางโง่คือควายเปื้อนคือมากูเป็นมาเบิดแล้ว เขาไล่ป่านนั้นสิให้เพจจังใดก็ย้อนว่ า, ากเขาไลายจังใด ก, ก็ยอมก็กูเป็นมาเบิดแล้วคนโง่คนสัวคนบอดถึกขักคนถึกถิมถึกป้าถึกไป่อยมีน้ำตาโงกคือควายเฟื่อคือมากูเป็นมาเบิดแล้ว เป็นยังกะ่ฮักเขาหลายปานนั้นสิให้เฮ็ดจังได้กะยอดว่าฮักเขาหลาย สวัสดีครับคุณโฟังสวัสดีวันอังคารที่27บครับช่วงนี้มีข่าวระทึกแล้วครับผมว่าหลายคนก็เฝ้าติดตามอยู่ในเรื่องของพายุที่ชื่อว่าโนรูคุณโนฟังซึ่งเขาคาดการณ์ว่าจะมาประเทศไทยจะได้รับผลกระทบในช่วงเวลาประมาณตีหนึ่งของวันที่29กาันยายนที่จะถึงนี้คุณโนฟังแล้วก็ค่อนข้างที่จะหนักด้วย พระแทนที่มันจะเริ่มเบาลงปรากฏว่ามาเจอความร้อนร้อนชื้นของโซนทะเลทะเลแถ บ, แถบนี้กลายว่าพายุมันก็เพิ่มความรุนแรงขึ้นไปอีกก็ต้องเฝ้าติดตามนะครับว่าผลกระทบจะมาถึงรับแรงถึงอุตรดิต์ขนาดไหนแต่ว่ามีหลายจังหวัดที่ได้ชื่อว่าอยู่ในแนวของการได้รับผลกระทบคุณรู้ฝั่ง ทังเรื่องของพายุต่างๆฝนฟ้าต่างๆด้วยฉะนั้นระมัดระวังครับในเรื่องของการเดินทางต่างๆฝนตกถนนลื่นก็ขับช้าๆไม่ต้องรีบเพราะถนนมันลื่นอยู่ๆเบ ร, รกกรทันหันรถเสียหลักปัดได้รถเสียการทรงตัวเสียการควบคุมอุบัติเหตุก็จะเกิดขึ้นได้และทําให้คนที่ใช้รถร่วมกับท่าน เกิดอุบัติเหตุด้วยก็ไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนั้นนะครับฉะนั้นสำรวจครับในช่วงที่ยังไม่มีฝนมีฟ้าแบบนี้ไฟเบรกดีไหมเบรกเป็นยังไงผ้าเบรกดีไหมดอกยางเป็นยังไงบ้างค่อนข้างอันตรายนะครับค่อนข้างอันตรายในเรื่องของการใช้รถใช้ถนนในช่วงของฤดูฝนแบบนี้เพราะว่าถนนลื่นขึ้นมาอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้เสมอครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับ มันว่าสิ่งที่เห่าตั้งใจเอาไว้ว่าสิออกไปเห็ดการเหตดงานหาเงินเลี้ยงดูอีพ อ, อีแม่แต่ว่าสุมท้ายเอานั้นกำยางออกบ้านเพื่อคนเพื่อหาความเจ็บปวดเจ็บปวด พนที่ตรงนี้มันบ่อได้มีสำรับคนที่ยากจนชีวิตของเฮาเป็นยังคือพบคือเจอแต่ความเสียใจเป็นอย่งคือเป็นจังสีเป็นยัง ค, นยงคือเป็นจังสีเกิดเป็นคนบ้านเฮานี้มีแต่เจ็บโอ้บางลาเอา้ยใส่สีวินให้ล้วนบ่นบอต้องหวงออง่วงกี่คนโอ้บางลา และจงเข้าใจถ้าหากไกแค่ไอย่าไปฟังสร้างเขา Might borrow, might lend. But I'm not a b e a คนมาตัวเทนอรักใครก็เจอแต่คนหลายใจคำพูดที่คนินจะมนใจสทายก็แค่ลงปากลอย แต่าราหนรู้วันนี้ครับครณผู้ฟัผมยังอยู่ในกระแสของเทศกาลกินเจอยู่ครับเกับเรื่องของน้ำเต้าหู้เครื่องดื่มสุขภาพครับมาเล่าสู่กันฟังครับถั่วเหลืองที่คั้นออกมาแล้วก็ต้มจนเป็นน้ำเต้าหู้ครับอุดมไปด้วยโปรโตีนที่คนแพ้นมวัวก็สามารถเลี่ยงมารับโปรโตีนจากน้ำเต้าหู้ได้อีกทั้งน้ำเต้าหู้ยังย่อยง่ายไม่มีไขมันดื่มแล้วรู้สึกอิ่มแบบไม่แน่นท้อง รวมทั้งประโยชน์จากน้ำเต้าหู้ที่เรากําลังนําเสนอก็ลองฟังกันดูครับมีสารอาหารครบทั้ง5้าหมู่นมถั่วเหลืองหรือน้ำเต้าหู้มีสารอาหารครบทั้ง5หมู่ทั้งโปรโตีนไขมันคาร์โบไฮเดรตเกลือแร่และวิตามินโดยเฉพาะปริมาณสารอาหารประเภทโปรโตีนในนมถั่วเหลืองซึ่งมีอยู่สูงเทียบเท่ากับเนื้อสัตว์เลยทีเดียวมีกรดอะมิโนโ ท, ที่จําเป็นต่อร่างกายครบทั้ง10ชนิด โปรโตีนที่พบในน้ำเต้าหู้ครับประกอบไปด้วยกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกายครบทั้ง10ชนิดอีกทั้งยังเป็นโปรโตีนชนิดที่ร่างกายดูดซึมได้ง่ายโดย 95% ของโปรโตีนในน้ำเต้าหู้ร่างกายจะสามารถดูดซึมไปใช้ประโยชน์ได้ทั้งหมดนอกจากนี้งานวิจัยครับก็บอกว่าน้ำเต้าหู้ยังมีเลซิตินซึ่งมีคุณสมบัติช่วยชะลอความแก่ช่วยปรับความสมดุลของฮอร์โมน อีกทั้งยังช่วยในการขับถ่ายและป้องกันโรคเบาหวานลดความดันโลหิต ส, สูงโรคอ้วนและบำรุงเส้นเลือดแดงด้วยช่วยลดครรอรสเลอรลในเส้นเลือดครับองค์การอาหารและยาครับพร้อมทั้งสมาคมโรคหัวใจของสหรัฐอเมริกาบอกว่าน้ำเต้าหู้มีกรดไขมันไม่อิ่มตัวในอัตราส่วนที่สูงซึ่งกรดไขมันชนิดไม่อิ่มตัวจะช่วยลดครรอรสเลอรในเส้นเลือด ป้องกันการสะสมของไขมันในหลอดเลือดชั้นในอันเป็นสาเหตุสําคัญของการเกิดโรคหัวใจและความดันโลหิตสูงได้เป็นแหล่งรวมวิตามินครับโดยเฉพาะวิตามิน B รวมในอาซินรวมทั้งวิตามิน A วิตามิน E วิตามิน D และวิตามิน C ในปริมาณเล็กน้อยแต่ก็ถือว่าเพียงดื่มน้ำเต้าหู้แค่ถุงเดียวก็กวาดพเพรียบทุกวิตามินเลยทีเดียวครับ บำรุงสมองเพิ่มความจำครับน้ำเต้าหู้ยังอุดมไปด้วยสารอาหาร ด, ดอื่นอีกมากมายแม้ว่าจะเป็นคาร์โบไฮเดรตที่ให้พลังงานแคลเซียมฟอสฟอรัสจึงช่วยบำรุงทั้งร่างกายบำรุงสมองและเพิ่มความสามารถในการจดจำได้น้ำเต้าหู้ลดความอ้วนครับน้ำเต้าหู้มีแคลอรี่อยู่ราว 75-200 ถึงกิโลแคลอรี่ขึ้นอยู่กับความหวานและเครื่องที่ใส่ในน้ำเต้าหู้แต่ละแก้ว รวมทั้งในน้ำเต้าหู้ยังปราศจากคอเลสเตอรอลและมีกรดไขมันชนิดไม่อิ่มตัวฉะนั้นใครที่สงสัยว่ากินน้ำเต้าหู้แล้วจะอ้วนไหมก็ต้องตอบตรงนี้เลยว่าถ้าดื่มน้ำเต้าหู้แบบหวานน้อยไม่ใส่เครื่องหรือเน้นใส่เครื่องที่ให้ประโยชน์แก่ร่างกายรวมทั้งควบคุมหารและออกกาลังกายเป็นประจำความอ้วนก็ไม่น่าจะมาเยือนแน่นอนครับ ก็เป็นเรื่องราวรของน้ำเต้าหู้นะครับในช่วงเทศกาลกินเจแบบนี้ครับที่อยากจะแนะนํานะครับที่หยิบ่าฝากคุณผู้ฟังกันในวันนี้ครับอ้สิทธิ์ที่ทางฝืนจะริญศรีให้ลูกมีคนรักคนเมตาให้ลูกด่งดังกับเขาเถิดนามชื่อเสียงก้องฟ้า คนรักมากมาย แค่วันนี้พ่อโวยช่วยลูกที่อยากจะมีชื่อเสียงเหมือนเขาทำงานหลายปียังไม่พ้นจากความปวดร้าวพ่อช่วยบรรเทาความทุกข์ในใจลูกทีวอนพ่อโวยช่วยดล ให้คนรักคนเมตตามีวาสนาโดองดังกับเขาสักทีให้มีเงินมีทองมาหล่อเลี้ยงครอบครัววันนี้ฝากชีวิตตัวลูกเป็นสิษย์สา อมสิทธทิเท้าฝืนเจรินศีให้ลูกมีคนรักคนเมตตาให้ลูกโด่งดังกับเขาเถิดนะชื่อเสียงกองฟ้าคนรักมากมายอมไม่นา่ากูงามคือดังพระแม่ให้แขนกูงามดังพระนารายให้ฤทกูงามดังระจันชายสา สวรรคยังอยู่บ่ได้เมื่อเห็นหน้ากู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 รดน้ำให้ลูกมีคนรักคนเมตตาให้ลูกโด่งดังกับเขาเถิดหน้าเชื่อเสียงก้องฟ้าคนรักมากมายโอมไม่นาคูงามคือดังพระแมรให้แขนปูงามดังพระเนารัยให้ริทปูงามดังพระจันรชายสาวเมืองสวรรค์ยังอยู่บ่ได้เมื่อเห็นหนาคู You. คือใจของเธอเปลี่ยนพันก็กลัวว่าลำบากหากแข่งขันกันด้วยความรักไม่มีวันที่ฉันจะแพ้แต่ชีวิตมันคือเรื่องจริงไม่ใช่ความฝันที่ตรงนั้นที่เขายืน เธอกีอนน้ีเคยเป็นตัวฉันครัง้งนี้หัวใจของฉันจะรับไว้เองดีแล้วที่เธอเลือกเขาดีแล้วที่เธอทิ้งไปตัวฉันมันมีแค่ใจคงไม่มีเธอเดินร่วมฉันความรักที่เคยสาสม วันนี้มันโดนทิ้งควาัวใจมันคงอ้างวา้างทรมานอีกนานหลายปี ชีวิตมันคือเรื่องจริงไม่ใช่ความฝันที่ตรงนั้นที่เขายืนเมื่อก่อนนี้เคยเป็นตัวฉันครั้งนี้หัวใจของฉันจะรับไว้เองนี่แล้วที่เธอเ เธอทิ้งไปตัวฉันมันมีแค่ใจคงไม่มีเธอเดินร่วมหาความรักที่เธอสาสมวันนี้มันโดนที้งวามหัวใจมันคงอ้างว่างอรมันอีกนานลายปีดีแล้วที่เธอเลือกข้า ดีแล้วที่เธอทิ้งไปตัวฉันมันมีแค่ใจคงไม่มีเะอเดินร่วมทางความ ร, ารักที่เคยสาซองวันนี้มั น, มนดอมทิ้งควาหัวใจมันคงอ้างวา้างทรมานอีกนานหลายปีหัวใจฉันคงอ้างวา It. It. ททุกาานาีแต่วันนี้ฉันขอความรักเหมือนขอเศษข้าวเคยขอคุยค้างเช้าเทีย่ยงเย็นฉันกลายเป็นน่ารำคาญเธอเปลี่ยนไปหรือใครเปลี่ยนเธอช่วยบอกฉันที กลับเหมือนเธอยิ่งนานวันเธอยิ่ง้อยหา่างถ้าเธอคิดจะไปแค่บอกกันสักคำกด็ดีถ้าเธอยังคิดถึงถ้าเธอยังใส่ใจถ้าเธอยังจำได้ว่าเราคือคนสงคัญโาไปก็อคุณราพูดว่าคิดถึงกันหากไม่ได้รับสายอีกเดียวก็โทอกลับมา แต่วันนี้เปลี่ยนไปหรือเธอลืมจากคุณรับมสายวยกลับให้ช้าหมดโปรโมดใจกลายเป็นสายที่ไม่ วันเธอยิ่งถอยห่างถ้าเธอคิดจะไปแค่บอกฉันสักคำก็ดีถ้าเธ อ, อยังคิดถึงถ้าเธ อ, อยังใส่ใจถ้าเธ อ, อยังจําได้ว่าฉันคือคนสําคัญโทรไปก็กุงรั้พูดว่าคิดถึงกันแากไม่ได้รับสายอีกเดียวก็โทรกลับมา แต่วันนี้เปลี่ยนไปหรือเธอลืมจากคนรักสายไว้กลับใช้ใหจหมดตัวหมดใจกลายเป็นสายที่ไม่ได้รักถ้าเธอยังคิดถึงถ้าเธอยังใส่ใจถ้าเธอยังจำได้ว่าเราคือคนสำคัญก็ไปก่อคุ้มรัพูดว่าคิดถึงกันหากไม่ได้รับสายอีกเดียวก็ทอกลับมา แต่วันนี้เปลี่ยนไปรู้เธอหรือจากคนรักสายไว้กับชายชายหมดโ่มหมดใจใกลายเป็นสายที่ไม่ได้รักหมดโ่มหมดใจใกลายเป็นสายที่ไม่ได้รัก เข้าสู่ช่วงที่สองของรายการครับวันพรุ่งนี้น้ำมันเบนซินลดราคาอีก60สตางค์นะคุณผู้ฟงังในกลุ่มของน้ำมันเบนซินครับแม้ช่วงลดก็ลดจริงๆจังๆหกสิบสตางค์ อ่ะท่านใดที่รอครับรอน้ํามันลดราคาก็ฮึบๆไว้พรุ่งนี้มีผลตั้งแต่ตีห้าครับน้ํามันก็ปรับราคาลงมาอีก60สสตางค์ในกลุ่มของเบนซินนะครับก็เป็นอีกหนึ่งข่าวดีครับค่าไฟแพงอ่ะน้ํามันปรับราคาลดลงมาก็ยังมีถูกลงบ้า ง, อ, งอุ้นรู้ฝังโอ้ไม่ไหวครับบางคนเจอค่าไฟที่ ขึ้นไป200กว่าเปอร์เซนต์มาก็ต้องตั้งสติก่อนครับตอนหลังนี้ก็ต้องจะเปิดฟงเปิดไฟก็ต้องคิดเยอะๆคุณนุ่ฟังเพราะว่ามันขึ้นไป200กว่าเปอร์เซนต์ก็ต้องดูครับว่ามีมาตรการในเรื่องของการช่วยเหลื อ, ห ร, อหรือว่าการลดราคาเไรไง่ายจากทางรัฐบาลบ้างนะครับต้องรอดูครับ เปลี่ยนพี่พี่เป็นยักษ์สีวันนี้พี่คิดจะรักษาพี่จะไม่หลงน้องเหมือนกับผีจะเป็นเด็กดีที่รักจ๋าพี่จะไม่ดื้อจะไม่สนไม่ต้องกังวลนักหนาถ้าพี่กัสาวคือลัศมียอมเดินคนดีพี่ภาคตาเปลี่ยบพี้พี่เป็นปิ่นทองน้องคงเป็นแก้วหน้าม้าเปรี่ยนพี่จะเหมือนตับเนาะน้องคงจะเหมาะเป็นรัชนาถ้เปลี่ยนพี่เป็นข่าววีคนดีคงเป็นแม่จันา์สุดาวันนั้นกดียักษสีชมพูและไอ้กัจจุรีเหลืออะไรล่ะกัจจุใจร้ายจากผู้ชายที่แสนดีกลายเป็นยักษ์สีลงมือทำร้าย หัวใจหากมีวันใดสองเรานั้นต้องห่างไกลให้เธอพบรูปของฉันเอาไว้คอยเตือนคอยย้ำไม่ให้วันไหวอบอกเขาเลยว่าเธอมีแฟนแล้วบอก พยากรณ์อากาศครับคุณผู้ฟังภาคเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 22-23 องถึงองศาอุณหภูมิสูงสุด2 9ถึง32องศาครับไม่มีอุตริตรวมอยู่ด้วยนะครับแต่อย่าเพิ่งชะล่าใจไปครับ ก็อาจจะมีประปรายลงมาบ้างก็ได้ก็เป็นพยากรณ์อากาศภาคเหนือครับถึง17นหวันพรุ่งนี้ครับถ้านองชอบคนรวยรอพี่ทุกว้ยก่อนจะพาบังงอนไปซ้อนท้ายเรือบิน เสือสือลุยวิ่งต้องตอนนี้แก็บล่องของทางบ้านพี่ไผก่อนจะพามืองออนไปสึกจะเป่าแหนเม็ดตอนนี้ช่วยหลับเบ็ดปีดยางก่อนได้ไหมกลัวน้องอยากนั่งเรมโบวขันบ่าย่วนนี้นั่งพวงรายสอนไทยไปแทงปามเรียว่าคุนดีย่ะจะเสริมความงามตอนนี้ช่วยลางชาม พี่ไปพาเมื่อความจริงความฝันมันยังห่างกันเกินน้องอยากในความเจริญรอพี่โทเบอร์ก่อนถ้าน้องชอบคนรวยรอบพี่ทุกงคุ้ยก่อนจะพามังอ่อนไปซอนท้ายเรือบินถ้าพี่รวยมันทักสินจะพาน้องบินไปดูไบดูตังในเป้ามันยังห่างไกลดูใบในหมอพี่ไปก่อน เพราะผีไอ้ตุกเบอร์กนเลวบาบังอ้นมาเป็นลูกพายเว้นทองวเว้นเพชรหรือห้ข้อได้ตามายถ้าผีตกใจวันที่ที่พบคนดีผีเป็นเท็ติ A ีาไอ้ร้อยว่าเคยปีตกลุ่มรักรูไม้รักหนองแกยตายรอไอ้ตุกเบอร์ ความฝันมันยังห่างกันเกินลองอยากได้ความจเริพรอพี่ทูกเปอร์กอนถ้าน้องชอบคนรวยรอพี่ทูกล้วยก่อนจึะ้าบังออนไปสอนทายเสือบินถ้าบี่หวยเหมือ น, นกูจริงจ้าวาน้องบินไปดูใบดูต่างนี่เปลามันยังห่างไกลถ้าน้องชอบคนรวยรอพี่ทูกล้วยก่อน จะพาบังอ่อนไปซอนไทยเรือบินจะพี่รวยเหมือนทักสินจะพาน้องเรียนไปดูใบดูตังในเป้ามันยังห่างไกลถ้าน้องชอบคนรวยรอบพี่ทุกหักวก่อนจะพาบังอ่อนไปซอนไทยเรือบินจะพี่รวยเหมือนทักสินจะพาน้องบินไปดูใบดูตังในเป้ามันยังห่างไกลดูใบในมอพีไปก่อน หวานล้ำใยห I l e แต่รอ ไป บกใครๆว่านี่คือแผ่นดินนี้แผ่นดินนั้นเป็นตำนานผู้คนมียิ้มพิมใจจงบอกเขาไปว่านี่คือแผ่นดินไทยบางทีก็ เ, เหนเบหนาบางครั้งก็รู้เทาแต่เราไม่ทอทอยืนสู้เพื่อวันใหม่วันที่ไกยมาถึงถึงวันนั้นสดใสผู้คนนั้น วันลอยกระทงของไทยในคืนเป็นเดือนสิอวัฒนธรรมยืนยาวผู้คนรักไทยรอมร้องเอาไทยทั้งร้อมพี่น้องกันใทอื่นไกลบาทีก็เด็บหนาวบางครั้งก็ปวดร้าแต่เราไม่ขอพอยืนสู้เพื่อวันใหม่วันที่คอยมาถึงคือวันสดใสผู้คนพูดหม่สั่ัคุนแผ่นไทย ไี่เลี้ยงเล รู้ฟังครัมดเวลาของรายการสิ่อตามสายงานประชาสัมพันธ์ของทางเทศบาลตำบลสีพฤกมามเมืองลำแหล่นะครับพบ ก, กับริการได้ใหม่วันจันทร์ถึงวันเสาร์ตั้งแต่เวลา7นริกาถึง8นาิกาและภาคเกียนตั้งแต่เวลา17นริกาถึง18นริกาครับสำหรับวันนี้คงต้องนำรายการจากลาคุณรู้ฟังไปแล้วพบ ก, กันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ